วิธีสลัจิวรที่เป็นนิสกีสลาแก่สงฆ์ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์หม่มอุตราสงฆ์เฉียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แกพ่พรรษานั่งกระโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญจีวรพื้นนี้กระผมเข้าไปหาเครือหัสผู้ไม่ใช่ญาติแล้วออกปากขอเกินกำหนดเป็นนิสกีกระผมสลัจีวรพื้นนี้แก่สงฆ์ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัต ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนจีวรที่เธอสละให้ด้วยยติกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าจีวรผืนนี้ของภิกษุชื่อนี้เป็นนิสกีเธอสละแก่สงฆ์ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วก็พึงให้จีวรผืนนี้แก่ภิกษุชื่อนี้สละแก่คณะภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุหลายรูปห่มอุตราสงฆ์ฉเฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษา นั่งประยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญจีวัเนเผลนี้กระผมเข้าไปหาเครือัดผู้ไม่ใช่ญาติแล้วออกปากขอเกินกําหนดเป็นนิสกีกระผมสละจีวัเนเผลนี้แก่ท่านทั้งหลายครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนจีวันที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าจีวันเผลนี้ของภิกษุเช่อนี้เป็นนิสกี เธอสละแก่ท่านทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายพร้อมกันแล้วก็พึงให้จีวรผืนนี้แก่ภิกษุชื่อนี้สละแก่บุคคลภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งของอุตราสงฆ์เฉียงบ่าข้างหนึ่งนั่งประยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านครับจีวรผืนนี้กระผมเข้าไปหาครือหัดผู้ไม่ใช่ญาติแล้วออกปากขอเกินกำหนดเป็นนิสกีกระผมสละจีวรผืนนี้แก่ท่าน ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้รับสละนั้นพึงรับอาบัติแล้วคืนจีวันที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่ากระผมคืนจีวันเพื น, นี้ให้แก่ท่าน